ผู้ที่ยังไม่มีอารมณ์ก็ทํำไปพึ่งๆไปอย่าไปหาเมือ่อเพิผู้มีอารมณ์เราก็เอาอารมณ์เป็นตัวฉเฉลยเช่นเห็นรูปเห็นนามรูปมันฉเฉลยนามมันฉเฉลยอาการของรูปอาการของนามรูปมันบอกสิ่งที่เกิดกับรูปมันบอกสิ่งที่เกิดขึ้นกับนามมันบอกบอกว่ายังไงบอกว่า คืออาการความโกรธก็เป็นอาการของนามความวิตกกังวลเป็นอาการของนามอ้ยหลายนับไม่ไหวที่เป็นอาการอาการของนามนับไม่ไหวเพียงแต่เราคิดได้มันว่ามันคืออาการทอนนั้นมันก็เล็กน้อยแต่มันเราไปบอกว่าความโกรธหรือไปบอกว่าตันหานาทีตันหาสมานาที แม่น้ำเสมอด้วยตันหามโอ้มันใหญ่เป็นแม่น้ำเละมหาสมุทรต้นรลอสมุทรศัตะพระติพระเมติโยใหญ่มากทีเดียวแ้วเราบอกว่าอาการมันก็น้อยขีบจ้อยสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำลูกมันมอกน้ำมันบอกก็เกิดปัญญาแทนที่จะเกิดความหลงกลายเป็นปัญญาเอามาเป็นปัญญาทั้งหมด มาเป็นตัวดูตัวรู้ตัวเห็นทั้งหมดอันถือว่าเห็นเนี่ยมันไปไม่รอดเหมือนเราอยู่บ้านโจรจะขึ้นบ้านมันไม่กล้าเพราะเราเห็นอยู่เราดูอยู่แม้แต่เด็กน้อยโจรมันก็กลัวโจรที่มันเอาของได้เพราะมันมืดเพราะไม่มีใครเห็นมั น, นมันเป็นขโมยเห็นความคิดเนี่ยตัวลักคิดเนี่ยหลวงพ่อว่ามันเป็นขโมย เป็นตัวขโมยตัวตัวเห็นตัวดูมันเป็นเจ้าของเจ้าของบ้านซะหลวงพ่อเลยพูดแบบปฏิบัติแบบได้สัมผัสดูแล้วโอ้ความรู้สึกตัวเหมือนกับเจ้าของกายความรู้สึกตัวเหมือนกับเจ้าของใจเมื่อกายใจยมีเจ้าของดูแลอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดแล้วมีก็ทักท้วงดดได้อย่างนั้นอืมอะไ ภาวะที่อืมเนี่ยมันเป็นภาวะของอำนาจอำนาจของชีวิตไม่ใช่อำนาจแบบมสมมุติบัญญตัติเอ่มอบให้กันเป็นนายกทัทมตรีเป็นประธานาธิบดีนั้นเป็นอำนาจแบบสมมุติบัญญัติกฎหมายและธรรมนูญเป็นสมมติบัญญัติ อำนาจที่เกิดจากปฏิบัติดีปฏิบัติตรงมันเป็นปลมัตกสัจจะอเ น, นี้ยมันปราบปราบกิเลสได้ปราบความโูหลงงอมหวายแต่ถ้าทุกคนมามีอำนาจตัวนี้แล้วอำนาจอ น, นั้นก็ไม่ต้องใช้ใครจะไปเบียดเบียนกันไม่ได้ใครจะไปเอาเปรียบกันไม่ได้ไม่ต้องมีคุกเปตลางหลวงพ่อว่านะไม่ต้องมีตำรวจทหาร ือถ้ามาลูกปรมาทสภาวธรรมของชีวิตให้จะไปคิดชั่วให้จะไปทําชั่วได้ทุกคนดูแลตัวเองอยู่เออ่ปกครองตัวเองอยู่เย็นสงบไปเลยเนี่ยเห็นก่อนที่ทําผิดมันผิดที่ตรงไหนผิดศีลมันผิดที่ตรงไหนผิดที่กายว่ า, จาใจใจเราก็ลูก การรักษากายไว้ใจใจให้ร้อยชื่อว่าศีลการรักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญากายสังขารจิตแต่สังขารเนี่ยรอบรู้อยู่ตรงนี้เห็นอันอื่นเอาชนะอันอื่นก็ไม่เท่าเอาชนะตัวเองเปลี่ยนสังขารเป็นไม่สังขาร เ ป, เ, ป เ, ปเปลี่ยนได้สบายเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนได้สบายไม่ต้องไปด่ากันถ้าไปด่ากันเนโอ้ยมันสิ้นพลังงานกว่าจะเดินไปหากหว่าจะไปออกเสียงกว่าจะไปโอ้ยมันลําบากาเปลี่ยนแล้วมันง่ายเนี่ยเปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารสังขาราประมาทุกขาสังขารมันเป็นทุกข์การปรุงปรุงแต่งแต่งวิสังขาง ร, รขานิพพานประมังสุขขังนิพพานเป็นสุข วิสังขารคือนิพพานสังขารคือทุกวิสังขารคือไม่ทุกแล้นก็เปลี่ยนไปไปต้องไตด า, ากันมันง่ายความโกรธมันยากความเมื่อโกรธมันสะดวกมันเป็นธรรมความทุกข์หรือไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมครบดูแล้วความหลงไม่เป็นธรรมเลยความไม่หลงเลยเป็นธรรมดูแลครบมาแล้ว ชางก็มไม่ลงมาแล้วสีชาห้าวันแล้วสัมผัสดูแ ล, แล้วพอไปหลงพับต่างกันน้ยต่างกันหลงอยู่ที่ไหนหลงอยู่ที่การกระทาเราจึงมาตั้งไว้ตั้งไว้ที่กายพอรู้จับรูปรู้จับนามรูปมันจะช่วยนามจะช่วยไปไหนช่วยหลือมันจะบอก อ, อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามมันจะบอกชานีชชานานไปเรื่อย จนจบเป็นสูตรไปไปตามสูตรสูตรของลูกก็ไล่ไปเปรตนาที่เกิดกับลูกมีตามีหู ม, มีวัตถุอาการวัตถุที่เกิดกับลูกมีวัตถุอาการอะไรตาก็เป็นวัตถุอันหนึ่งลูกก็เป็นวัตถุอันหนึ่งหูก็เป็นวัตถุอันหนึ่งเสียงก็เป็นวัตถุอันหนึ่ง ถ้าตาไม่มีตาเห็นอะไรไม่ได้ก็ไม่มีวัตถุเหมือนคนตาบอดไม่มีวิญญาณทางตาถ้าหูหนวกก็เป็นไม่มีวิญญาณทางหูจมูกไม่มีกลิ่นก็ไม่มีวิญญาณทางจมูกลิ้นไม่มีรสก็ไม่มีวิญญาณทางลิ้นกายไม่มีการสัมผัสถูก้องกายนั่นก็อันตรายอาจจะเป็นโรคมะเร็งได้มันด้านขเม็ดฟันก็ไม่ เก็บไฟมาไหม้ไฟมาจุดก็ไม่เจ็บแต่นี่มันส ม, มุนโยุงกันมันเจ็บเนี่ยโอ้ยขอบคุณใช่ไหมคุณหมอขอบคุณไหมโยงกัเกดเจ็บเนี่ยขอบคุณกายโอย้มันรู้จะเก็บเป็นสัญญาณของเขามันยุงกันปั๊บเนี่ยโอ้ยมือไปเลยขอบคุณถ้ายุงกันไม่เจ็บเลยอะไรเกิดขึ้นไปทุกทําไมไอ้เหยื่อน้ํามันเจ็บเนี่ย ล้มวงไว้ถอดน้าหมอกโอ้ขอบคุณขอบคุณรูปที่มันมีสัญญาณอันตรายแล้วเราเอามาเป็นทุกข์ประเดี้เราเอามาเป็นปัญญาคนหิวขอบคุณไหมขอบคุณความหิวหรืปว่าหลง่อเป็นวัดเนี่ยทำถ่าจะไม่ไดีขอบคุณมันโอ้มันสัญญาณมันบอกเนี่ยหลงคอโง่แล้วต่างกายเลร่นๆอยู่ก็อา่านแนมเห็นไหมเห็นไหม ขอขอบคุณร่างกายถ้าเป็นวัดเป็นไข้ขอบคุณใช่กายผิดไปใช่สับ ส, บส น, ส น, สนมันปรับตัวไม่ทันมันก็หาทางออกให้เราพักผ่อนพักผ่อนสองวันไม่ด้รรมาทวัดเลยขอบคุณขอบคุณร่างกายที่มันเกิดอะไรขึ้นมามันเป็นวัตถุอาการ มันเป็นวัตถุอากาศร่างกายร้อนเหนื่อยชลมอยู่ไปอาบนา้ำสบัดร้อนสบัดหนาวเป็นวัตถุอาการที่ใช่ผิดประเภทเหมือนเราใช้มีดมีดเขาสําหรับทำครัวเอาไปปั้นดินเอาไปปั้นเหล็กมีดตัวก็หมดคุณภาพเราใช่กิจเราใช่กายผิดประเภทเช่นใช่ให้มันทุกข์ใช่ให้โกรธ ใช่รักใค่ชังหมดสภาพเลยตีไม่ดีเป็นโรคประสาทต้องไปหาจิตแพทย์ใช่กายไม่เป็นไปจนเล่าเมายาไอติดของเสียติดเกิดวิกฤตทางกายซ้มสอนเกิดอันตรายพานละหลวงพ่อว่าวันเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจนี่สุดยอดของการศึกษา เป็นมูกุลของการศึกษามาคนระองตัวเองวัตถุอาการกายก็เป็นวัตถุมันก็มีอาการหลายอย่างอาการคือมันเกิดขึ้นได้ตามราก็เห็นลูกหูก็ได้ยินเสียงเท่านั้นไม่พอวัตถุอาการมันต่อไปอีกยินดียินลายมันจะเป็นปอย่างนะชอบก็ไม่ชอบเกิดสมุติปัญญติต่อไปอีกแล้ว เมื่อเกิดสมมติบัญญตัติเกิดความยึดโขกติดเมื่อเกิดความยึดเกิดอะไรไปเกิดกิเลสตัณหาแห่งแ่งเกิดความโลภความโกรธความหลงไปไกลจนฉลามรณะโสกปฏิเทวทุกข์ก่อนที่จะล่องให้มันไปจางไหนก่อนที่จะไปหัวล้อหลงตัวลืมตนมันไปทางไหแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราไม่เกิด เราไม่เกิดหยุดเกิดจะว่าอย่างไงเกิดอะไรเกิดอะไรก็ได้ไม่เกิดอยู่อย่างไรอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรเหอไมอยู่กับหลวงพ่อไหมอยู่ต้องไหนหลวงพ่ออยู่ตรงไม่เป็นอะไรภาษาหลวงพ่อกว่าเป็นผู้ดูไม่ได้เป็นผู้เป็นเป็นผู้เห็นไม่ได้เป็นผู้อยู่เป็นผู้ดูไม่ได้เป็นผู้เป็นเห็น อะไรที่มันเกินเครื่องกายจะไปเห็นไม่เป็นอะไรไม่เป็นกับอะไรดับแต่ว่าลบศูนย์ไม่มีค่าเหลือศูนย์ชีวิตที่เหลือศูนย์ไม่ให้ค่ามีแต่อาการมีแต่ธรรมชาติอะไรไม่มีไม่มีค่าเหลือศูนย์ยังไหม ช, ช็อปเอซีซี่ศูนย์ลบศูนย์ ชีวิตเหลืศูนย์ไม่ีค่าไม่มีค่าเลยไม่ ม, ก ม, มกีกูไม่มีกูกูหนึ่งมีค่ากูชอบกูไม่ชอบแต่มีค่านะถ้าลบศูนไม่มีกูกูร้อนกูหนาวกูหิวไม่แต่เห็นเหมือนทาไมเห็นเองคือศูนยะ์เห็นฟังเล่าเรื่องไว้โน๊ ลบศูนย์ลบศูนย์ชีวิตเหลือศูนย์ไม่ไม่พลาดอยู่ยังไงเป็นกิริยาใช่ชีวิตเป็นกิริยากินเป็นกิริยาถ่ายเป็นกิริยานอนเป็นกิริยาพูดใช่สมมุติปัญญัติใช่สมมุติปัญญตัมม ต, ญญติให้สําเร็จประโยชน์แต่ที่ใช้สมมุติปัญญตัติให้เกิดเป็นทุกข์เป็นความรักความชัง อายุตันไม่ใช่ใช่สมมุติวัญญัติตามที่โลกสมมุติเนี่ยก็เป็นพระเนี่ยก็เป็นโยมอะไรสมมุติวัญญัติแต่ปรมาภิษ์วัญญัติไม่ใช่พระก็เป็นได้ทุกเพศประวัตใส่เสื้อสีขาวขาวใส่กางเกงขายาวถ้าเป็นปรมตภิษฐ์เป็นพระได้พระเคยชีวิตประเสริฐ ไม่เบียดเบีนตนไม่เบียดเบยนคนอื่นคือประเสริฐนี่ไปทางนี้นะเราทำอยู่นี่ไปทางนี้เข้าถึงธรรมเข้าถึงศีลมีศีลไม่ใช่รู้ธรรมมีธรรมไม่ใช่ว่าศีลปานาติปตาไม่ีศีลเนี่ยมันเห็นเลยเนี่ยไม่เป็นศีลอย่างไงศีลก็เคยเรียบร้อยอยู่เสมอ จิตใจไม่โฟโฟแปร่แปรสมาธิเืออะไรก็ก็คือมั่นคงเป็นที่เป็นทางปัญญาก็รอบรูปอยู่นี้มันเกิดอะไรขึ้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นตัวรูปตัวรูปตัวรูปไปไม่ได้ง่ที่จะไปหลงไม่ได้ง่ที่จะไปโกรธไม่ได้ง่ที่จะไปทุกข์เปลี่ยนมาเป็นตัวรูปมันสบายสบายเนี่ยนี่คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือคุณ พระพุทธปฏิรรมพระสงฆก็คือคุณภาพของชีวิตเราเนะี่ยจะลู่ตื่นเบิกบานปฏิธรรมก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาพระสงฆ์ก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกแก่ทุกปฏิบัติสมควรอยู่สมมติสมออยู่เนี่ยเราทําอย่างนี้อยู่ในตระกูลของพระตันตนาใจพระพุทธปธรรมพระสงฆ์ อยู่กับชีวิตเราทั้งหมดธรรมก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาเรามีสติเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำชั่วเลยเรามีความรู้สึกตัวเราก็ทำดีแล้วเนี่ยจะเอายังไงเรามีความรู้สึกตัวจิตของเราก็ไม่ได้ปรุงปรกต่างต่จิตของเราก็รักก็รักษาจิตไม่ได้เศร้าหมองปานนั่นนะ การเจริญสตินี่เป็นโอวาทปฏิโมกขุทิเจ้าสอนเจ้าทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันเรื่องสัพพวปาปะสะกระนังกุศลสู้ปะสมปธาสกิตประโยชน์ทัพนังเอตังพุทธานาซาสนังการไม่ทำบาปทงปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำรายจิตของคนให้ขาวรอบสามอย่างนี้เป็นคำสอนของขุติเจ้า เท่านี้แลเราจะริยนสติเนี่ยก็ปัแ๊บบเข้าเข้ากุ๊บเลยเป็นเอเกรดเอเกรดดี B ไปเลยเหมือนเราปูกกระเบื้องสลัดเกรดเอเนี่ยปั๊ บ, บทันทีเลยเกรดดนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันสีขาวๆไม่ค่อยตรงเทาง่าไหรแต่เกรดเอนี่ยปั๊ บ, บทันทีเลยสีเท่าๆ ของปัน๊นี่เกรดดสัพะปปะสพะปาปัจจาระนังสัพพะปาปัสสะกัลลังเรามีสติเนี่ยเราได้ไปทำชั่วไหมไปลักขโมยใช่ไหมไปล่วงเกินของเักของชอบใจไหมคิดอะไรไหมลูกกลับมาอยู่ยังไม่ได้ทำเลยกลับมาแล้วความคิดไปก็กลับมาได้แล้วอยู่นี่โดยกันหมดทุกคนน่ะไม่ได้ไปไหนทุกคนเลย เลยหอบกระเป๋ากลับบ้านเลยนั่งอยู่เลยกลับมาเนือโยนเนยนเนี่ยทาเนี่ยให้ให้ถือว่าสบายใจเถอะคนหมอพยาบาลหรือญาติโยมทุกคนถูกต้องแล้วที่เราทำอยู่เลยสบายใจได้เลยนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติจริงๆตัวปฏิบัติเข้าถึงศีลถึงธรรมจริงๆเข้าถึง ศาสนาศาสน า, า, า, า, า, าคือตัวรูปธรรมตัวนามธรรมศาสนาเจริญก็คือนี่แหละคือชีวิตของเราไม่มีความชั่วไม่ทําไม่ได้ทําความชั่วไม่ใช่วัดเลื่อมระยับพระสงฆ์มาก ม, า ก, ม า, กากนั่นเป็นอันหนึ่งศาสน า, าคือชีวิตเราไม่ทุกข์ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นาศาสนาเจริญวันนี้ก็โพด ไห้ฟังแล้วไปทาไปท า, ปทาดู